ผู้เล่าก็คือพระครูการุณาวิหารีเรื่องความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดสมัยหนึ่งเมื่อพันปีล่วงมาแล้วมีกะถาชายนายหนึ่งได้เข้าบัพชาในพระพุทธศาสนาในสำนักอาจารย์แห่งหนึ่งเพื่อต้องการจะเรียนวิชาทุกๆอย่างกะถาชายคนนี้พอได้ร่ำเรียนวิชาแล้วก็เขียนใส่ใบลานเอาไว้ โดยไม่ต้องท่องบนจดจำให้ขึ้นใจแต่ประการใดเรียนไปก็เขียนไปนานวันมากเขาก็เขียนมากเข้าจนใบลานที่เขียนวิชาไว้นะเต็มห้องกุฏิไปหมดคันบวทมาได้นานพอสมควรแล้วก็ลาสิขาบทเพื่อกลับไปประกอบอาชีพทางชาวบ้านของตนกระทัาชายผู้นี้กลับไปบ้านก็นำเกวียนของเขาที่บ้านมายังสำนักของอาจารย์ เพื่อจะขนเอาตำราที่เขาเรียนแล้วก็จดเอาไว้ได้ถึงสามเล่มเกวียนอ่าถึงจะหมดตำราที่เขาได้เรียนและเขียนเอาไว้เมื่อเขาได้บันทุกเอาตำรานั้นใส่เกวียนเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางเพื่อจะกลับไปบ้านกระถาชายคนนี้เดินทางมาได้ครึ่งวันมาถึงบ่อน้ําแห่งหนึ่งก็บังเอิญพบสาวงามคนนึ่งกำลังตักน้ําอยู่พอกระถาชายคนนั้นเห็นเข้าก็มีความรักใคร่อยากจะได้ไว้เป็นภรรยา แต่มันนึกถึงคาถาบทหนึ่งที่อาจารย์ให้ไว้เพื่อใช้ในทางผู้หญิงคาถาชายคนนั้นไม่ได้ท่องบนให้ขึ้นใจไว้อ่ะคงอยู่แต่ในตำราใบาลานที่เขาจดเอาไว้เมื่อตอนเรียนอยู่คาถาชายคนนี้ก็ค้นหาคาถาที่เขียนไว้ในใบาลานในเล่มควนที่ขนมาค้นไปค้นไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะตำรานีนมันเยอะมากต่อมากด้วยกัน เมื่อหาไม่พบก็คิดประอาใจก็หยุดการค้นหาแต่ก็ยังไม่หมดมานะที่จะต้องการผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาก็ลงจากเกวียนเดินไปหาหญิงสาวพูดขอยืมคารุมาตักน้ำให้วัวที่ลากเกวียนกินแต่อันที่จริงกะทาชายนั้นหาอุบายเพื่อจะพูดจากเกี้ยวพาราสีมากกว่าแต่ผู้หญิงเขาก็รู้เท่าในอุบายนั้นก็อยากจะครลองวิชาที่กะทาชายนั้นเรียนมา ก็เลยบอกให้กระถาชายนไปหยิบครุเอาเองพอกระถาชายเดินไปที่บ่อน้ําหญิงสาวก็เดินตามมาข้างหลังพอเห็นกระถาชายเผลอตัวหญิงสาวก็ผลักปอกลงมาในบ่อน้ําบ่อ น, นั้นลึกมากกระถาชายคนนั้นจะปีนป่ายสักเท่าไหร่ก็ขึ้นไม่ได้เมื่อหมดหนทางที่จะขึ้นได้แล้วก็ได้แต่ยืนอยู่ก้นบ่อยืนดูหญิงสาวนั้นอยู่ ท่านจะออกปากให้หญิงสาวช่วยตัวแล้วก็นึกกระอายใจเพราะวิชาที่เรียนมานะั้นมันเยอะแยะนักหญิงสาวเห็นกระทาชายมองตัวเฉยอยู่อย่างนั้นก็พูดคือขนาดคุยว่าวิชาที่เรียนมาตั้งเสสองสามเล่มเคลียนท่านจงทดลองวิชาที่เรียนมาให้ขึ้นจากบ่อให้ดูสิกระทาชายคนนั้นก็จนปัญญาก็พูดออกมาว่าวิชาที่ฉันเรียนมาเรื่องจะขึ้นจากบ่อนี่มันไม่มี เมื่อหมดขนทางแล้วกระทาชายก็อ้อนวอนขอ ห, หญิงสาวนั้นช่วยตัวขึ้นจากบ่อหญิงสาวก็บอกว่าเอาเถอะเมื่อท่านหมดปัญญาขึ้นมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยทันใดนั้นหญิงสาวก็แกล้งร้องเอะอะโวยวายขึ้นฝ่ายชาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้ฟังหญิงสาวร้องโวยวายอย่างนั้นก็สำคัญว่าเกิดเตร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ข, ขึ้นกับหญิงสาวก็่วยไม้พรองกระบองสั้นวิ่งตรงมาที่บ่อน้า ท่นมาถึงกันแล้วก็ถามหญิงสาวว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเหรอหญิงสาวก็บอกว่าไม่มีเหตุร้ายอะไรหรอกเนื่องจากฉันตกใจมากเกินไปที่เห็นกระทาชายคนนี้ตกลงไปในบอ่อเพื่อขอร้องให้พวกท่านช่วยให้กระทาชายคนนี้ขึ้นมาจากบอ่อฉันก็เลยร้องโวยวายขึ้นพวกที่มาก็ช่วยกันเอากระทาชายคนนั้นขึ้นจากบอ่อได้สําเร็จเมื่อกระทาชายขึ้นมาจากบอ่อแล้วก็ให้นึกละอาใจแกหญิงสาวเปน็นอันมาก ก็ลาหญิงสาวนำเงินกลับบ้านของตัวครั้นมาถึงบ้านก็ขนตำราที่เรียนขึ้นเก็บไว้บนเรือนเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคิดว่าเอวิชาเราก็เรียนมามากต่อมาแต่มาสู้ความคิดของผู้หญิงยังไม่ได้เลยก็ปรารถกกับตัวเองว่าฮึ um, ไม่ได้การเราจะต้องไปเรียนวิชาเพิ่มเติมให้มากขึ้นยิ่งกว่า น, นี้บอกคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็รีบเดินทางไปหาฤาษีเพื่อจะขอเรียนวิชาเพิ่มเติม ครั้นเมื่อเขาไปถึงอาสมฤศีก็เข้าไปทำความเคารพแล้วก็แจ้งว่าจะมาขอเรียนวิชาต่อท่านฤศีท่านฤศีก็บอกกับกระทาชายว่าฉันยังมีวิชาไม่ดีพอหรอกยังมีผู้มีวิชาดีกว่าฉันอีกท่านผู้นั้นก็คือพระอาทิตย์กระทาชายจึงได้ขอเรียนวิชาเหาะจากฤศีเพื่อจะขึ้นไปหาพระอาทิตย์ครั้นเรียนวิชาเหาะได้จากฤศีแล้ว กระถาชายก็ขึ้นไปหาพระอาทิตย์เพื่อจะขอเรียนวิชาพระอาทิตย์ก็บอกว่าฉันยังไม่ดีพอหรอกคนที่มีดีกว่าฉันอีกก็คือเมฆเพราะว่าเมื่อเมฆเคลื่อนที่มาบังฉันก็มืดมิดมองอะไรไม่เห็นกระถาชายก็เห็นจริงก็เลยไปหาเมฆเพื่อจะขอเรียนวิชาต่อเมฆเมฆก็บอกว่ายังมีคนดีกว่าฉันอีกใครอ่ะท่านผู้นั้นก็คือลม เพราะว่าเมื่อลมพัดไปมาก็พัดพาฉันไปด้วยฉันไม่อาจจะทานกําลังลมได้ฉันจึงยังไม่ดีพอที่จะให้วิชากับท่านกระทาชายคนนั้นก็ไปขอเรียนวิชาต่อลมลมก็บอกฉันยังไม่ดีพอยังสู้ไม้สนโหนเขาไม่ได้เพราะว่าฉันจะพัดเท่าไหร่เท่าไหร่ต้นสนโหมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรเพราะฉะนั้นท่านควรจะไปรับวิชาจากต้นสนโหดีกว่ากระทาชายก็ไปหาต้นสนโหเพื่อขอเรียนวิชา ต้นโสนก็บอกอีกฉันยังไม่ดีพอหรอกเพราะเท่าที่ฉันถูกลมพัดไม่หักนั่นก็เพราะว่าฉันรู้จักอ่อนตัวเท่านั้นแหละไม่มีดีอะไรผู้ที่ดีกว่าฉันอีกก็คือจอมปลวกกระทาชายผู้นั้นก็ไปหาจอมปลวกเพื่อจะขอเรียนวิชาจอมปลวกก็ปฏิเสธอีกว่าฉันยังไม่ดีพอหรอกฉันยังสู้ควายเขาไม่ได้เพราะควายมันจะกลิดฉันพังโค่นลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ท่านควรจะไปเรียนวิชากับควายสิ กทาชายก็ไปหาควายเพื่อขอเรียนวิชาควายก็บอกว่าฉันยังไม่มีอะไรดีหรอกท่านสู้ตาแก่ที่นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นนายเราเขาใช้งานเราได้เขาเกิดไม่พอใจเราขึ้นมาเขาจับเราสนตะภายแล้วก็ขี่หลังเราทำอะไรต ะ, ะไรเราได้ทั้งนั้นกทาชายก็เดินเข้าไปหาตาแก่ครั้นถึงก็ทําความเคารพแล้วก็แจ้งว่าตัวมาขอเรียนวิชา ตาแก่ก็ถามว่าเจ้าบวชแล้วเรียนแล้วเหรอะกระถาชายก็บอกว่าฉันบวชแล้วเรียนแล้วจ้ะฉันได้เรียนวิชามาหลายอาจารย์ก็ยังไม่เห็นดีเลยเห็นตานี่แหละเป็นคนดีมีวิชามากฉันก็เลยใคร่จะขอเรียนวิชาจากตาเมื่อได้สนทนากันพอสมควรแล้วตาแก่ก็รู้ว่ากระถาชายคนเนี้ยได้เรียนมามากก็จริงแต่ไม่ได้ท่องบนวิชาที่เรียนมาให้ขึ้นใจแล้วก็ไม่มีจิตมั่นคงในวิชาที่เรียนมา ก็ตกลงรับสอนให้ตาแก่ก็ให้กระทาชายคนนั้นไปตัดไม้ไผ่ขนาดยาวมาลำหนึง่งคั้นได้มาแล้วก็เอามาปักไว้ตรงหน้าแล้วก็บอกให้กระทาชายคนนั้นขึ้นไปบนไม้ไผ่นั้นแล้วตาแก่ก็สัญญาว่าเมื่อกระทาชายขึ้นไปแล้วตาแก่จะบอกวิชาให้คั้นกระทาชายขึ้นไปได้กลางลําแล้วก็ตะโกนลงมาถามตาแก่ว่าจะบอกกันยังอ่ะตาตาแก่ก็ร้องว่าให้ขึ้นไปให้สุดปลายไม้ คาถาชายก็คืนไปจนถึงปลายไม้แล้วก็ถามอีกว่าจะบอกหรือยังตะแก่เห็นสูงพอควรแล้วก็เดินก็ไปใกล้ลำไม้ไผ่ที่ฝังไว้แล้วก็ร้องขึ้นไปบอกอะระวังตัวนะจะบอกให้เดี๋ยวนี้แหละจับให้มันมันนะจับให้มันๆันว่าแล้วตะแก่ก็เขย่าไม้ไผ่แขวงไปแขวงมาคาถาชายคนนั้นพอถูกตะแก่เขย่าไม้ไผ่ก็กลัวตกร้องถามลงมาว่า ยังไงกันล่ะตาจะบอกก็ยังอ่ะตาแกก็บอกว่าจับให้มันมันนี่ว่าแล้วก็เขยา่าลําไม้ไผ่แขวงมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทาชายคนนั้นแทบจะร่วงลงมาหลายหุนกระทาชายก็ร้องลงมาตาฉันจะตกอยู่แล้วตาจะบอกได้หรือยังอ่ะตาแกก็บอกก็ค้าบอกให้แล้วยังไงแล้วก็ค้าบอกว่าจับให้มันมันบอกให้จับให้มันมันยังไงแล้ว กระทาชายได้ฟังอย่างนั้นก็ได้สติคิดได้ว่าเออวิชาที่ตัวเรียนมานั้นมันมากก็จริงอยู่แต่ไม่ได้มีความมั่นใจคือไม่ได้ท่องบนให้ขึ้นใจคงให้อยู่ในสมุดใบลานนั่นเองครั้นแล้วก็ลงมาจากปลายไม้ไผ่เข้าไปหาตาแก่ก้มลงกราบทำความเคารพแล้วก็สารเสรินตาแก่ว่าโอ้คุณตาดีกับฉันเหลือเกินที่ได้ให้สติกับฉัน ตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะยึดมั่นในวิชาที่เรียนมาแล้วก็จะท่องบนวิชาที่เรียนมาให้เข้าใจทุกประการเสร็จแล้วก็ลาตาแก่กลับมายัางบ้านของตนครับต่อไปเป็นนิทานชาวบ้านของสระบุรีครับเรื่องนี้ในเบิม้ม แดงพรหมเป็นผู้เล่าเล่าว่ายังมีตระกูลที่ยากจนอยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำแต่ว่าตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลที่ซื่อตรงสุจริตที่สุดมีอยู่ด้วยกันสามคนคือพ่อแม่ลูกในตระกูลนี้ลูกของเขาชื่อในฟังแต่ว่าในฟังคนเนี้ย เป็นคนที่ซื่อตรงพ่อแม่แนะนำสั่งสอนยังไงก็ประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามครั้นต่อมาพ่อของนายฟังก็ตายลงเหลือแต่แม่กับนายฟังด้วยกันสองคนนายฟังก็อุตสาหะทํามาหากินเลี้ยงแม่ของเขาเข้าป่าหาฟืนมาขายเอาเงินไปแลกเปลี่ยนซื้ออาหารมาเลี้ยงแม่ต่อไปแต่นายฟังนับตั้งแต่พ่อตายแล้วหาเลี้ยงแม่มาเป็นเวลานาน ทัานต่อมาแม่ก็ตายแต่เวลาที่แม่ในฟังจะถึงแก่ความตายอยากจะสอนให้ลูกของเขาคือในฟังนะหาที่พึ่งโตโตแก้ว่างั้นฝ่ายลูกก็คือในฟังก็รับคํากับแม่ว่าจะปฏิบัติตามพอสั่งเสร็จนละ้วแม่ก็ตายฝ่ายในฟังพอทําศพแม่เสร็จก็ตั้งหนะ้าจะเดินทางไปหาที่พึ่งโตโตตามที่แม่สั่งไว้เมื่อในฟังจะออกเดินทางไปแสวงหาที่พึ่ง ไปขอลาบรรดาเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยฝ่ายเพื่อนบ้านเขาก็ชักชวนให้อยู่ด้วยแต่นายฟังไม่เอาก็พูดกับเพื่อนบ้านว่าเขาจะไปหาที่พึ่งโตโตที่สุดนายฟังก็ขอลาเพื่อนบ้านสัญจรไปขณะเดินทางไปก็ไปพบหมู่บ้านหนึ่งมีคนตลอดจนพ่อค้าทั้งทางน้ําทางบกมากมายนายฟังก็พิจารณาดูก็ไม่เห็นที่ไหนที่เป็นที่พึ่งโตโต นายฟังก็เลยออกจากหมู่บ้านนั้นออกเดินทางต่อไปคราวนี้นายฟังไปพบพ่ อ, พอค้าเกวียนห้าร้อยเล่มกําลังพักร้อนอยู่ริมป่าก็พากันหุงข้าวหุงปลากินกันนายฟังก็มีความหิวโหวยมากก็แวะเข้าไปขออาหารพวกพ่อค้าเกวียนเหล่านั้นกินพอนายฟังกินอาหารเสร็จพวกค้าก็ถามนายฟังว่านี่หลานจะไปไหนอะ่ะเดินมาคนเดียวไม่มีเพื่อนฮะ ฝายในฟังก็เลยบอกว่าหลานจะไปหาที่พึ่งโตโตพ่อขาเขวียนห้าร้อยเล่มก็บอกไว้ว่าเออหลานเอ้ยที่นี่ไม่มีรกักที่พึ่งโตโตมีแต่พ่อขาเขวียนเท่านั้นแหละฝ่ายในฟังได้ฟังพ่อขาบอกอย่างนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลานขอลาไปข้างหน้าต่อไปเสร็จแล้วในฟังก็ลาพ่อขาเขวียนเดินทางต่อคราวนี้ในฟังออกเดินทางไปอีกหลายวัน จนกระทั้งไปพบโจรพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ข้างป่าชายเขาฝายในโจนพรพอเห็นนายฟังก็วิ่งเข้ามาถามเพราะเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพราะถามนายฟังได้ความว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในโจรก็มีความการุณาแล้วก็ได้ความจากนายฟังว่าจะหาที่พึ่งโตโตในคืนนั้นเป็นนั้นว่านายฟังพักนอนอยู่กับพวกโจร น, นั่นเองพอตื่นนอนนายฟังก็ออกเดินทางต่อไป คราวนี้นายฟังไปพบแม่น้ําขวางหน้าจะข้ามข้อข้ามไม่ได้เดินไปเดินมาก็พอดีไปเจอพรานแหคนหนึ่งนายฟังก็ขอความกรุณาให้ส่งข้ามฝากนายพรานแหก็มีความสงสารก็นำนายฟังส่งข้ามฝากตามความปรารถนาเมื่อนายฟังข้ามฝากได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปอีกสามวันคราวนี้ไปพบเมืองหนึ่งมีชื่อว่าเมืองพาราสี ในเมืองนี้มีตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยข้าวของเงินทองมากมายในฟังก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเล็กบ้านน้อยก็ไปพบช้างตัวหนึ่งเจ้าของเขาปล่อยไว้สมัยนั้นช้างพูดได้ในฟังก็ไปหาช้างสนทนากับช้างฝ่ายช้างก็สนทนาด้วยกันในฟังเมื่อช้างรู้เรื่องและรู้ความมุ่งหมายของในฟังว่าจะหาที่พึ่งโ ต, โต ช้างตัวนั้นก็เลยเอาแก้วดวงนึงมาให้ในฟังในฟังได้แก้วจากช้างก็ดีใจก็ถามช้างว่าแก้วนี้มีประโยชน์อะไรช้างก็บอกในฟังว่าแก้วนี้มีประโยชน์มากจะนึกเอาสิ่งใดเป็นต้นว่าเงินทองข้าวของอะไรก็ได้ช้างก็บอกว่าเออคราวนี้แหละสมความประสงค์ของท่านและที่ท่านอยากจะได้ที่พึ่งโตโ ต, โตก็จะพบจะเห็นแล้วก็ได้ที่พึ่งโตโตจริงๆ ในฟังเมื่อได้แก้วจากช้างก็มีความสุขความเจริญด้วยข้าวของเงินทองตลอดจนถึงเย้าเรือนที่พักผาอาศัยก็ล้วนแล้วแต่ใหญ่โตและแน่นหนาถาวรที่จะนําความก้าวหน้าไปสู่ความเจริญทุกวันการที่ในฟังจะได้รับความสุขความเจริญก็เพราะประพฤติป ฏ, ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่่ไม่เกียจคร้านจึงได้ประสบความสุขความเจริญทุกประการครั้นต่อมาเมื่อในฟัง ได้ที่อาศัยแน่นหนาถาวรดีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินแล้วก็ปฏิบัติในกิจที่ควรทําเป็นต้นว่าบิดามารดาได้เลี้ยงตนมาเมื่อถึงเวลาถึงแก่กรรมทําลายขันก็ทําบุญส่งกุศลไปให้นับว่านายฟังเป็นคนดีปฏิบัติตามคําแนะนําของพ่อแม่สมตามคําของพ่อแม่ในคําก็มีความสุขความเจริญเพราะ ที่พึ่งโตโตที่แม่สั่งไว้ในคําปฏิบัติตามคําแม่ทุกประการครับต่อไปเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรครับเรื่องนี้ในปูเท้ามาหาวงเป็นผู้เล่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาอยู่กับพ่อแม่ก็มีความประพฤติไม่ดีชอบลักขโมยก็เป็นอาชีพพ่อแม่ก็ไม่ได้ด่าว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่นะ่ารักลูกมากถ้าลูกไปเที่ยวหา ลักได้ขโมยได้เป็นเครื่องบริโภคมาพ่อแม่ก็พากันกินด้วยความยินดีถ้าลูกไปเที่ยวหาขโมยได้เครื่องอุปโภคเครื่องใช้ของใช้ต่างๆพ่อแม่ก็เอามาใช้นุ่งใช้หม่มไม่ห้ามปรามแล้วก็สั่งสอนแต่ประการใดๆไม่ว่าจะไปอรารวาสทุบตีด้วยเหตุประการต่างๆก็แล้วแต่ความประพฤติของลูกชายอ่า ถ้าไปเกิดเรื่องทุบตีกับใครพ่อแม่ก็พลอยพูดเข้าเป็นเสียงเดียวกับลูกเข้าข้างลูกถ้าไปขโมยเข้ามาเขารู้ตัวพ่อแม่ก็จะ อ, อับรับว่าลูกไม่ได้ไปที่ไหนในวันนั้นคืนนั้นอยู่บ้านเสร็จแล้วชายคนนี้ก็ยิ่งมีความประพฤติไม่ดีเรื่อยมาจนถึงปล้นและฆ่าคนตายจนเกิดถ้อยความบ่อยๆพ่อแม่ก็ยอมเสียงเงินเสียทองไป แม้ถึงเงินไม่มีต้องหากู้ตามชาวบ้านครั้นเรื่องนี้หนักเขาทุกทีทุกทีพนักงานก็ต้องออกหาจับตัวชายที่ว่านั้นพ่อแม่ก็วิ่งหาเงินหาทองเสียเพื่อจะให้ลูกชายของตนพ้นเรื่องพ่อแม่ต้องขายไร่ขายนาจนสิ้นสมบัติไปชายผู้เป็นลูกก็ไม่หยุดไม่พักการลักขโมยสักทีเพราะว่าพ่อแม่ไม่ห้ามปราม แล้วก็สั่งสอนให้ลูกรู้จากความประพฤติสิ่งที่ดีเพราะพ่อแม่ขาดความรู้อ่อนการศึกษาลูกชายก็ยิ่งมีความประพฤติหนักเข้าทุกทีจนกระทั่งข้าหลวงประจาจังหวัดสั่งจับตัวให้จงได้เมื่อจับตัวชายคนนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีให้สารลงโทษในสมัยนั้นก็มีลงโทษถึงประหารชีวิตเพราะว่าเรื่องนั้นมันหนักเหลือหนักผู้วิพากษาก็ตัดสินประหารชีวิต ท่านตัดสินแล้วฝ่ายข้าหลวงประจําจังหวัดก็ออกประกาศเป่าร้องให้ราษฎรมาดูการประหารชีวิตของชายคนนี้ด้วยท่านข้าหลวงมีความประสงค์เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นๆประพฤติอีกให้ราษฎรมีความเกรงกลัวครั้นถึงวันนัดแล้วพวกประชาชนก็พากันไปดูการประหารชีวิตชายคนนั้นมากจนได้เบียดกันดู ไ่ายพ่อกับแม่ชายคนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เพราะรักลูกเห็นว่าลูกของตัวคงจะตายเสแน่คราวนี้ก็แหวกประชาชนเข้าไปดูไปหาลูกชายของตนทั้นไปถึงลูกชายแล้วก็พูดถึงความรักลูกอย่างนี้อย่างนั้นตามความเวทนาของตนเจ้าลูกชายก็พูดกันว่าพ่อแม่จะมาร้องไห้ทําไมเล่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของชั้นนี่มันเป็นความผิดของพ่อแม่นั่นแหละ คือเมื่อฉันประพฤติแรกตั้งแต่เด็กๆมาพ่อแม่ไม่เห็นห้ามปรามอะไรฉันสักอย่างฉันไปหาลักหาขโมยเอาอะไรมาก็ไม่เห็นพ่อแม่ว่าอย่างไงฉันเห็นแต่พ่อแม่ยินดีกินยินดีใช้ทั้งนั้นฉันก็นึกว่ามันเป็นของดีฉันก็เลยมีความประพฤติอย่างนี้เรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้เมื่อเป็นทางไม่ดีแล้วพ่อแม่ทําไมไม่ห้ามฉันตั้งแต่เมื่อฉันยังเล็กๆยังเป็นเด็ก เมื่อฉันประพฤติมาแต่ที่แรกฉันก็นึกว่าดีแล้วฉันก็เลยทํามาอย่างนี้พ่อแม่ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้หรอกกลับบ้านะเถอะอยู่ที่นี่ก็อายคนอื่นๆเขาคนอื่นๆเขาก็จะว่าพ่อแม่รักลูกไม่เป็นสอนลูกให้เป็นโจรลูกถึงเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาพวกพนักงานก็ไล่ทุกคนออกจากที่นั้นเสียพวกเพชฌฆาดก็ทําการประหารชีวิตชายคนนั้นต่อไปตามคําของผู้พิพากษาที่ตัดสินแล้วครับ